งธรรมะผู้ที่ลู้ภาษาของกันและกันในเรนื่องภาวนาการจิตเคยธรร ม, มาแบบไหนดีการจิตทำใจให้สงบสุข ร, รมเอาขอธรรมะเป็นภาษาภาษาคนคือ ท, ทุกคนหาในธรรมะในกายในใจของตัว คนนั้นก็ไม่ชั่วไม่เสียมีความสุขทางกายทางใจยินแย่มแจ่มใสสะดวกสบายยี่ที่คนมีธรรมะในกายในใจจะเป็นภาษาพูดงี้ตรงกันกว่ า, าตามจะี่ยวกบการของธรรมะมันเหมือนกันหมดถาม้ดถาเป็นทุกภาษาไทยว่าเป็นทุก ภาษาอื่นจะเหยียดอะไรก่็ตามหน้าตาของคนนั้นมันก่อสอ้แสดงขึ้นมาว่าเป็นทุกข์ดูหน้าตาไม่มีความแต่งหน้าผาเผยไม่มีฟวามยิม้มย้มแจ่มใสเราเห็นเขากว่าทราบว่าเขาเป็นทุกข์ทางกายทางใจของเขาเขาเป็นทุกข์ถึงภาษาจะไม่ตรงกันกว่าตาม มันก็ทราบดูหน่าตาขาดีมันสุกมันสบายแตงอาาตาเป๋ยยืนเยี่ยมแจ่มใสหนีการปฏิบัติธรรมะก็ทํานองเดียวกันที่ไม่ ح, ทาาราบภาษาแล้วใครปฏิบัติมาแบบไหนใจของเราสงบใจของเราสุขใจของเราสบายเราก็ทําไปพอระยะเวลากี่การแสดงธรรมะ ในใช้เวลาทำงานในใช้เวลาคิดึงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะต้องส ง, งนรักษาจิตใจของตัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาในเกี่ยวสันจรไปมาตามผิดเคยจึงมีสติรักษาจิตใจเอาไว้อย่าปล่อยให้มันไปตามอัตโนมัติของมันรักษาไว้ ไอ้มันอยู่ในขอบเขตของอัดของทำเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธขอกให้มันอยู่ในพุทโธในจิตในใจของเราจะสำนวนลมหายใจให้สำนวนรู้อยู่ตลอดเวลามันออกมันเข้าชาเร็วหรือสั่นยาวบอให้ทราบจมีสติอยู่ในตัวในต่อยจิตใจออกไปในจิตจิตคล้องอย่างอื่น พราะมาธิเป็นโอปนัยิ่กูน้อมเข้าภาในกำหนดเข้าภาในใหายใจมันรู้หายใจมันสงบหายใจมันหยุดใจมันนิ่งห่ยใจมันหยุดมันนิ่งมันกงมีกำลังพอที่จะรู้จักเกิดการณต่างๆได้ความสุขความสบายก็เกิดขึ้นเหมือนกันกันกบเราเบน อยู่ตลอดเวลาหรือวิ่งอยู่ตลอดเวลาพอเรามานั่งไม่กะดิกกระดิ ก, ดกไม่ได้ทางานอะไรนั่งอยู่เฉยๆความสุขความสบายมันก็เกิดขึ้นไม่จำเป็นกินอยู่กินยาอะไรอยู่จิตใจของเราฟองเที่ยวกับทานองเดียวกันเฟองเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ไพักผ่อนถึงตามถึงเวลาฟังธรรมะเราปลยต้องรักษาห่างจิตใจที่ คิดไปตรุงไปข้างนอกหไหมข้างในมาพักอยู่ในอารมณ์สัญญาอันใดอันหนึ่งจะเป็นทํมโบริกรรมหรือลมหายใจหรือจะเท่งสินได้สิ่งหนึ่งภายในกายของตัวเช่นก็มาฐานห้าหรือมุลแล้วก็มาฐานเยสาโลมานะักาทันตาใ่โจคือผมขนเล็บฟันหนังเงจ่บสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ หาใจมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกมันผมมีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อนได้เตอนมันมีที่เกาะที่อาศัยมีลมเงาที่ดีพักทากําสงบความสุขมันก็เกิด ข, ขึ้นการฟังทำน่ะมันจริเลยศาสตร์ภาษาของกันเลก็กการขอที่โอกาสนั้นเป็นโอกาสทําความเปลี่ยนเป็นโอกาสฝึก จิตอารมณ์ใจของตัวเวลาอยู่ธรรมดาในสังธ ร, รมมันอยากคิดอยากปุงเรื่องอะไรปล่อยมันไปพอใจของเราฝุดยังไม่ได้รักษายากยื่งกว่าใจไม่มีของในโลกเพราะจะเอากำแพงหนาขนาดไหนกั้นเอาไว้ใจมันไยะังรอดออกไปได้ข้ามออกไปได้ใจมันเป็นของละเอียด ไล่ดาวทุกแห่ทุกคนทุกแหนะทุกมุมรวดเร็วอีกางสุด้วยิ์อะไรอะไรที่จะเร็วยิ่งก่าใจเรื่องเราคิบไปส่วนวนาทีสองนาทีแถวนั้นไม่ก็ทิ้งที่เราเคยไประยะทางอยากไแสนไกลมันก็ทิ้งได้มันลวดเร็วขนาดนั้นอย่างของใจจริงรักษายากการรักษาใจก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้กําหนดรู้ ความนึกคิดปรุงแต่งของใจอยู่ตลอดเวลาและก็มีปัญญาแนสอนการยืงเกี่ย <c oughs> วการนึกคิดการปล่อยจิตปล่อยใจนั้นที่เราเคยทำมาไปเกิดสาระอะไรให้มีอะไรเป็นสิ่งสุข ท, ทิ่สบายข้างใจมีอะไรที่จะนำความเย็นเย็น เสษตพิเศษมาให้ถ้าเราฟืนปล่อยมันไปตามเลื่องของมันจีเคยความมามันก็จะเป็นแบบจีเคยเห็นมาแล้วผ่านมาแล้วไม่เสยประโยชน์จากนั้นต้องหักห้ามแต่ให้มันไปคิดไปปรุงไอยู่ไปเกี่ยวกับเรื่องของนอกนี่คือผู้ภาวานาผู้สังวรรักษาจิตใจของตัวเมื่อเรามีสติดู จิตใจของตัวมีปัญญาแนะนตัวอย่างนั้นเราจะอยู่ในอิริยบทใดมันก็เป็นความเพียนเป็นสาปากคือแผลเขายิ้มในจิต ใ, ในใจของเราให้เหยียดแห้งหายไปเพราะเรื่องของใจมันมีนาที่อันเดียวจิตอันนี้มันก็วางอันนั้นจิตอันนัน้นก็วางอันนี้น มันคนคนเดียวอยู่ที่นี้จิตใจติมันก็ไม่มีใจใจติเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้นี่จิตของเราก็ทํานองเดียวกันใส่ชิดเรื่องของอัดของความเรื่องของวิเล่นเรื่องของโลกมันก็วางไปใส่ชิดเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมันก็วางไปปล่อยไปมันเป็นทํานองนั้นแต่นั้นเราจึงควรรักษาระวังใจของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ ในเกิดสาระไปอยู่นำทุกนำโทษมาให้แล้วเสียใจภายหลังถ้าหากเราไม่ไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวคิตของเราโกจะไหมเศ่าหมองวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้ถ้าเราคิดได้สอนใจของเราได้เราจะไม่เสียใจภายหลังเรานั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดียืนอยู่นอนอยู่ก็ดีให้มีสติรักษาจิต ถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นของมีค่าเห็นไหวจิตเป็นของประเสริฐวิเศษถ้าเราปล่อยไป ต, ตามอำเภอของมันมันจะคิดจะฟุ้งจะยุ่งจะเกี่ยวกับอะไรก็ปล่อยไปเลยเรื่อยมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อย่างจริงๆเราเราถันๆใจเต็มมามันเกิดอะไรสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเป่นแค่นั้น ไม่มีอะไรอศัศจัน์พอจิตจราะถอนจิเลสได้สติปัญญาของคนที่ไม่มีธรรมะมันก็เหมือนกันกับสติปัญญาของสัตว์สัตว์เราจะพิว่ามันต่าช้าต่ามนุษย์กว่ า, ามานมันก็มีสติมีปัญญาเอาชีวิตของมันหลอดมาหาอยากหากินตามหน้าที่ของมันได้ เหมือ น, น, นกันกับมนุษย์เราแต่มันแต่รักษาสีนทำจิตทำใจให้สงบมีปัญญาเสื่อละถอนทิ่เหลียดในตัวของมันนั้นมันไม่มีคนธรรมาดาที่มันเดสึกรักษาไม่มีธรรมะในตัวมันก็ไม่แกอะไรกับสักวต่างแต่ว่าไม่มีหางมีเผา มีหามีเขามีงามีงวงมีขนมีเขียวอย่างเสืออย่างสัตว์ต่างๆมันก็เป็นสัตว์ดีๆเนี่ยมันมีอะไรขี่พิเศษีิเศษของเขาแต่นั้นเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ดีควรฝึกควรอบรมจิตใจให้เหมาะสมกับชาติเป็นมนุษย์ ถเป็นชาติี่หายา่างเป็นชาติที่สูงสุดเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อรหันต์ปฏิเจกพระพุทธเจ้ 9, าหรืาพรอริยเจ้าขั้นต้นจนถึงขั้นสุดก็เกิดจากมนุษย์คนที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทธพธิดาอินทรยมยมยักษ์ตลอดทิ้งเกตอสุรกายตัดนาล ก, ก, ากตัดจิละฉานก็ดจัง มันก็ไปจากมนุษย์ไปจากที่อื่นมนุษย์เราถ้าหากที่เจนาธรรมดาแล้ว <c oughs> มันก็เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินแก่ถ้าหาไปได้หลายอย่างเราจะทำไรก็ได้ทำนาก็ได้ปลูกโรงพยบาบาลโรงเรียนก็ได้จะปลูกบ้านปลูกช่องใสก็ได้จะทำสะทำบอ่อก็ได้ก็ที่ดินของเิ่า มนุษย์เราก็ทํานองเดียวกันมันแปลสภาพไปได้ไดเป็นธาอรหัดอาหันก่อนมนุษย์เราเป็นอนาคาสศรษฐีทาคาโซดางก่อนมนุษย์เราเป็นโจรเป็นมารเป็นเตจเป็นชีเสวยอชาลาโมกก่อนมนุษย์เราวเฮ้จมันมาจากที่อื่นเสือจะก่อนคนตัวกันในสถานที่ใดก็ัวเสือควมันดุ เธอถ่านไปใน ม, มีอาวุธบางทีมันก็กัดให้ตายได้แต่เสือในป่านั้นถึงร้ายมันก็เป็นเรงเสือของมนุษย์สองขาเสือสองขานี่น่ากลัวมากเสือนั้นมันอยู่ในป่านในดงไอเสือนี่มันอยู่ได้ทัอกไปในสังคมใหญ่ๆ ใ, ในเมืองในานามันก็อยู่ได้ อันตรามากฆ่าคนตายนับไปถ้วนอีกเหมือนกันจึงหนัาตัวเสือนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตจากใจของคนที่ร้ายคือในนี้อาจมีทำคิดอยากได้อะไรก็ทําไปตามใจชอบไม่ได้คิดถึงว่าทําไปแล้วคนอื่นเขาจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไร คิดแต่งจตตัวได้เป็นพอคนแบบนี้มันร้ายยิ่งกว่าเสือในปากฉะนั้นพวกเราท่านที่เลือมใสศรัทธาในทางศาสนาธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ส่วนใหญ่สรูปธรรมะมากมายแปบดบหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ย่นลงให้สั้นในโอวาสปาจิโมก่สัพพปาปตะสารานางกุสารสู้สั้นปาในจิตตะ ป, ประโยชน์ถ้า ป, ปานางเอตังพุทธานาสาสานังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าม่ยาวสั้นสั้นพระพุทธเจ้าองค์ใดสัดสรู้สอนแต่เพียงแค่นี้คือเห้ละสิ่งที่ชั่วสี่เสียต่าง ทางกายทางวาจาทางใจสาระสิ่งที่ชั่วขี้เสียออกจากตัวของตัวได้มันก็ไม่เกิดใครเกิดเรียนเกิดสัตว์อื่นคนอื่นเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวของเราก่อนมันจึงไปทําไปพูดไปคิดกับคนอื่นเขาสัตว์อื่นเขาให้ได้รับความเดือดร้อนแย่าหา่าตัวของตัวเอง เหนือมีความชั่วความเสียเหนือมีบาปมีกรรมขอบงำจิตใจตัวของตัวก่อนเดือดร้อนตัวขง อ, อตวขงตัวก็เป็นทุกข์ทั้งๆั้งที่สิ่งอื่นมีสมบูรณ์อยู่แต่ความอยากของจิตของใจเสียไรธรรมะ ม, มันแผลมันเผาเองเสียงเขาดีมีสุขก็อยากดีมีสุขอย่างเขาแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรจะไปอย่างเอา อำนาจศาสนาจากเขาจะไปแย่งเอาสมบัติจากเขาทั้งท่าน ท, ทีเราไม่ได้ทําอะไรมันคิดไปทำนองนั้นมันไม่ได้คิดจะสร้างตัวของมันให้ดีให้ดีดอะไรนี่เสือใจของคนชั่วใจของคนขาดธรรมะคนไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะละเรื่องชั่วของตัวเลยไปก่อปวนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนตัวของตัวเองกัเขาอยู่ตลอดเวลา ก็มีความอยากความปรารถนาในทางที่ในถูกในอาจในธรรมพระูดใ้เจ้าขันจี้ให้ละเว้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีขึ้นทางกายก็ให้หักหามเอาไว้มีสิ่นทางวาจาก็ให้ละให้ถอนอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาหนวกหูเจ็บใจพยายามงับปากเอาไว้พอลมปาก เป็นภัยปากของเรานี้้ารักษาไม่ดีอาจเป็นภัยยิ่ง่าภัยภายนอกโจนมาภายนอกยังสู่ปากของเราเป็นภัยต่อเราไม่ได้แต่เราไม่รักษาไม่รู้จักเหมาะสมพอดีในตัวแล้วมันเป็นภัยได้แล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์มากแต่มีมิตร เสื่อนถูงคนใดที่จะนำความสุขความสบายนำลาบนำยศมาให้ยิ่งกว่าปากของเราถ้าเราพูดผุกูดดีก็เป็นสเสน่หสามารถนำลาบยศแนและเสืิอสุขมาให้แก่ตัวข้องตัวป า, ป, าปากมันเป็นอย่างนั้นลมปากมันเป็นรื่างสำคัญแต่ ตายก็ดีว่าจาก็ดีมันจะดีจะชั่วมันก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องข้องใจใจเป็นตัวการสำคัญบงออกมาให้พูดให้ทำถ้าใจงโง่ใจไม่ฉลาดใจมีจีเลตปัญหาเป็นผู้นำแล้วมันก็พูดกาทำตั้งแต่เรื่องที่ชั่วถ้าหากมีอาจนีทำประจําอยู่ในใจ พูดออกมาหรือทำอะไรไปนั่นก็เป็นอัจเป็นทำทำให้ตัวข้งตัวตัมีตัวของตัวไม่ได้คนอื่นทั่วไปที่เขามองเห็นเขาได้ยินเขาก็เหลื่อมใสพอใจว่าทำไปพูดไปนะั้นมีเหตุมีผลถือต่องตามอัรทำสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่เยื่องรักษา กายว า, ายใจใจไม่เหตทําชั่วก็ไม่มีคนอื่นนอกจากตัวของตัวที่จะทราบ <c oughs> เรื่องของตัวยิ่งกว่าตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรมันไม่ได้ทําได้พูดโกหกจริงจะมันคิดอะไรเป็นไปทางสะสมกิ้หลีหรือเป็นไปเพื่อทําลายชี้หลีต้องตรวตาที่เจรนาอยู่ภายใ น, นดูใจของตัว ติดคิดติดจุลอยู่นี่เรียกว่าผู้ที่มีสติรักษาตัวของตัวผู้ที่ประพฤติตัวอย่างนี้นั่ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือเป็นสื่อจะละชั่วอยู่สม่ำเสมอไปชั่วข้างนอกก็ไม่ขว้าเข้ามาทับผมกายวายาจใจของตัว ช, ชั่วข้างในที่มีอยู่ ก็พยายามกำจัดทำลายในสะสมเอาไว้ความดีกุรสรัสู้กระซัมประดา <c oughs> มันมีอยู่แล้วก็ให้รักษาไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางวาจาทางใจเห็นความดีที่มีอยู่แล้วเป็นสมบัติสำคัญ รักษาเอาไว้ความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามแสวงหาดัดแปลงกายวาจาและใจท้องตัวให้ทําให้พูดให้คิดในทางดีนั้นนั้นเกี่ยวกับสะสมความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสียหายไปที่ยังไม่มีสะสมให้มีขึ้นเมื่อมีความดี ทางกายตัวของตัวไม่มีข้อใดที่จะตัม้มหนิว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งฉิดไปจากศีลจากทําศีลเป็นของอยากรักษาง่ายธรมเป็นของละเอียดเข่าไป่ยิ่งกว่าศีลส ต, ติปัญญา ทีนี้ที่เจณาอยู่สม่ำเสมอ๋อยวปล่อยให้วันเวลาผ่านไปไหลไปเยอป่าเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของอาจของทำไม่มีวันเวลาเถอนอกจากหลับตื่นมาก่อนกำหนดจิตใจของเรามันคงเส้นคงวาหรือไม่หรือมันวกคิดเกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไร ที่มันก่อเกี่ยวออกไปนั้นมันเป็นทางละกิเลสหรือสะสมกิเลสที่ยานาอีกหากมันเต็มไปเพือทางสะสมทางเสียหายก็ห้ามตามจิตใจเอาไว้โดยปัญญาของตัวนี่คือการสะสมความดีจนจิตใจนั้นสะอาดหมดจดทองแท่ว จิตจะประโยะะน์ถ้าไคือใจสะอาดใจผ่องใสไม่มีคุณมัวเดือดร้อนตัวของตัวเองตัวทราบว่าจิตของเราไม่มีอะไรอายกอารมณ์สัญญาที่เป็นพิษเป็นไทยเป็นกิเลสตัญหามายุ่งเกี่ยวเมื่อไม่มี สิ่งที่เป็นทิศเป็นไัยมาเกาเกี่ยวจิตใจใจสะอาดใจท่องใสก็เหมือนตายของเราไม่มีโรคภัยมันสะดวกจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำการงานอะไรโรคภัยไม่เดือดเดียนไม่มีโรคภัยมันสะดวกหนุ่ใจที่ไม่มียี่เลียตันหาไม่มี <c oughs> มาน้าทิดิไม่มีสิ่งที่ชั่วเสียยุ่งเกี่ยวก็คือใจที่นีมีโรคภัยใจปราดใจจากโทษมันก็ผ่องใสมันก็สงบสบายมีทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมาก็สอนเข้ามาสู่กายวายใจาใจเท่านั้นเคื่อนละเรื่องที่ชั่วที่เสียต่างๆที่เคยทำกว่าหักห้ามเอาไว้อย่าทำ สิ่งที่ไม่เคยทำถ้าเป็นทางชั่วถึงใจมันคิดก็อย่าไปส่งเสริมมันให้เตือนมันไว้การคิดมากเข้าก็จะพูดจะทำไปถ้าทำจะพูดไปในทางชั่วทางเสียก็ไม่มีอะไรผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเกียรชั่วเสียอย่างนั้นมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้น ที่จะมารุมทำจิตทำใจของตัวแห่ร้อนแห่เศร้าหมองเราปราถนาหรือไม่ความทุกข์ความเสียหายความเดือดร้อนวุ่นวายของใจถ้าไม่ปราถนาอย่าไปคิดไปนึกให่สอนจิตสอนใจของตัวอยู่สม่ำเสมออยู่ซื่อ ส, สุประเพื่ไปจี่บัตร รักษาจิตต้องมีสติดูแลรักษาตัวเองดูข้างในคือดูใจอยู่เรื่อยอย่าส่งออกไปทางนอกส่งออกไปทางนอกก็เหมือนวิ่งตามเงาเราวิ่งมันก็วิ่งเรื่อยไปไม่มีเลยลาถี่จะทันมันแต่นั้นแันจริงเหววกเข้ามาภายในดูภายในธรรมะเป็นโ hey อ ok ปะนะยิโก คือให้น้องเข้ามาภายในถึงเห็นข้างนอกก็น้องเข้ามาภายในสอนใจสอนใจของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรักษาจิต <c oughs> สังวรจิตผู้นั้นแหละผู้ที่ จ, คจะคนจากบ่วงข้องมานได้มานก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันจะตามไม่ทันเพราะเหตุใดเพราะจิตใจที่สังวรละ ว, วัง ไม่เห็นมีความส่วความเสียมาเกิดขึ้นในจิตในใจใจทองใสใจบริสุทธิ์จนทาบจากตัวของตัวทั่วดีต่างๆเราผัวพตชปฏิบัติละถอนมาหมดจิตปัจจุบันในทองสิตตทธ์เกาะเกี่ยวกับพบพบขาดอะไรเราจากไปในระยะนี้ ก็ไม่มีอะไรพบฉากใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันก็ไม่มี10ขอ้องยุ่งเกี่ยวหรือเกาะพันกับเรื่องทองโลกอีกมันทราบในการปฏิบัติปฏิบัติทองตัวไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้นี่เป็นโัดาติชีธาชาลนะอันเหรอนะไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเพราะทำเป็นสันพิติโกคือเห็นเองถั่วดี ต่างๆมันเกิดขึ้นจากตัวทางนั้นถ้าตัวไม่มองตัวค้องตัวจะไปรับทำชันละเสริญจากคนอื่นให้คนอื่นรับรองให้เขาทั่วไปไม่มองเห็นใจเราแต่เราเป็นอย่างไรถ้าถูกขี้เหร่ตั้หาถูกคำทำปาถนาของเขาเขาก่อชั้นละเสริญถึงเราจะช่วยจะเสียขนาดไหนเขาก่อชั้นละเสริญได้ เราะมันถูกใจถูกความต้องการของเขาแต่ตัวของเราเองสะาดดีถึงจะทำหน้าตาแต่งาผ่ า, าเผยความชั่ว์ของเราที่มีอยู่ในตัวเราก็ขาเรามีกิเลสอยู่เราก็ยังชั่งเราหมดกิเลสจะไม่ทราบอย่างไรจงพยายามฝึกอบกรมใจของตัวสั่งหน้าต่างๆรักษาประพฤติปฏิบัติพ็อโอกาสเวลาที่เรา เกิดนี้น้อยเจมทีไม่ใช่จะถึงพันปีเมื่ อ, อไรทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปกรรมดีกรรมชั่วที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเผื่อสองของเราถ้าเรามีกรรมชั่วสิ่งที่ตัวปาฏินาริสิ่งที่ตัวต้องการนั้นอย่าไปคิดเลยว่ามันจะได้ถ้าหากเรามีกรรมดี่อผลของกรรมดีจะติดตามไปหสม ปรารถนาในการเกิดอีกแต่ถึงอย่างไรก็ดีการเกิดการตายนี้นี้ไม่พ้นผาหาักจิตใจของตนยังอยู่ในวงของยิ่เลวงของโลเราจะทำลายเรื่องเกิดตายนี้ก็ต้องอาศัยทีนิติารณาเกิดมาแล้วได้อะไรการ ยินการนอนกันเป็นอยู่ทุกอย่างเกิดไปอีกมันก็ทานอนเก่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศ ษ, ษ, ษยิ่งกว่านี้ไปมีอะไรสงสัยในชาตินี้ที่ยังห่วงยังห่วงอย่าเกิดอีกเกิดมามันก็เห็นตามทุกความทุกข์ต่างๆเราเคยประสบพบมาแล้ว เกิอีกข่างหน้ามันก็ของเก่าไม่มีอะไรที่จะยดีวิเศษเรือดไปให้เราจะเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยไปความเกิดของเราก็ไม่มีวันจบวันสิ้นนี่จะจะเกิดเรื่อยไปเราได้อะไรจากการเกิดการตายที่จะน่ายแยบคายลงไปโลกเขาหลงกันว่ะอันนั้นของกูอันนี้ของกูมันหลงกันในทางสมมติต่างหากความจริงแล้ว มันไม่มีอะไรใครได้อะไรไมนมี้ของโลกมันก็เป็นของโลกอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่มันก็อยู่กับโลกมันสลายไปมันก็สาายไปในโลกจะมีอะไรสงสัยในจิตในใจเพราที่อยากได้แสวงหาที่ใจนายแยบคายลงไปจนใจเกิดมิตรพานาเบื่อหน่าในการเกิดการตายของตัวเหมือนั้นแหละมันจะคลายกำหนักความยินดี ติดข้อต่างๆออกตัวของตัวผู้ปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจถึงอยู่ในโลกก็ไม่ติดในโลกอีกเกิดตายอย่างไรอีมนั้นมันไม่มีอะไรจะสงสัยทําว่าไปดรืออยู่นั้นมันเป็นสมมุติจิตใจใบริสุทธินั้นผู้ปฏิบัติทราบเองไปก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่นั่นคืออะไร คือความบริสุทธิ์ความผนสมมติทันรู้จักถ้าเป็นอย่างนั้นมันกลสุขกว่าสบายสาหรับตัวแต่าตายได้ อ, อยู่มันก็ ม, มีการหั่นไหวเพราะใจของผูกพุทธปฏิบัติเนี่ยนั้นบริสุทธิ์ถ้ามันไม่บริสุทธิ์เมื่ออะไรมันยังนิดๆห น, น, น่อยๆมันก็เหมือนกับไฟ ถึงนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ก่เผาก็ร้อนตกติดตายของเราที่ไหนมันก็ร้อนก็ไม่หนี้ที่เหลือตั้นหาในใจก็ทำนองเดียวกันเราอย่าจะถือว่ามันเป็นธรรมดาเราเคยอยู่กับไฟมันไหมมันเขาเขาทั่วไปในโลกเขาก็ยังไหมยังเผาเหมือนกันกับเราเราจะไปคือคนเหล่านั้นเป็นศาสดา เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้มหากไ่ถือคนเหล่านั้นเป็นาศาสดาเขาประพฤติอย่างไรเขาอยู่อย่างไรอยู่ได้เราก็อยู่ได้เมือ่อกันกับเขาเราก็ไม่มีวันเวลาที่จะพ้มกิเลสตัณหาได้ต้องเห็นว่ากิเลสทั่วไปเป็นไฟเป็นไฟเป็นอันตรายสำหรับไม่เผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา เราจะต้องทำลายจะต้องพยายามดับด้วยสติด้วยปัญญาด้าดยวยศรัทธาด้วยความเปี่ยนองเราจทพิมุ่งมั่นตั้งหน้าตาั้งตาปฏิบัติกันจริงจังอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยจิตใจจับคนจักที่เรลยดได้เห็นประจากชาชัดเจนในจิต ใ, ในใจทองตัวโดวยไม่ต้องไปหาใครที่ไหนมารับรอง ทราบในจิตของตัวเองเพราะการประพฤติปฏิบัติเคยสงบสงัดเคยละเอียดขนาดไหนแต่มันกว่ทราบดีว่ามันยังมีกิตเหลียดอยู่ถ้าหากมันหมดกิตเหลียดเมื่อไรมันเป็นอย่างไรนั้นมันไม่ได้อยู่ในความละเอียดมันไม่อยู่ในความสงบที่เราเคยเห็นเคยเป็นมันจะเกิดขึ้น ในจิตในใจของเราเราจึงทราบดีว่าไม่มีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญอีกไม่มีทบไม่ชาติอีกสํา <c oughs> หรับตัวคงตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่สุดของธรรมะที่พระพุทธเจ้ า, าสอนถ้าเราเห็นเราเป็นแล้วไม่มีสงสัยแลผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาพบก็กคือเห็นความบริสุทธิ์ในจิตในใจทีละ ถอนกิเลสปัญหาไปได้ศาสตรเขีนใครเป็นในใจแหละพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกองค์อืนอ่นๆที่ทป็นหลวงรับตอนิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรใจของเราที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็ไม่มีทางทรงไส่รูปกายนั้นมันไม่เหมือนกันถ้าหากจะพูดตามสมมติถ้าจะพูดตามธรรมาที่ฐานมันก็เหมือนกันถ้าตีขันหะเหมือนกัน น, นีีอะไรผิดแปกแตก ต, ต่างกันความบริสุทธิ์มันก็เหมือนกันอีกโลกอันนี้ถ้าหากผู้มีสติปัญญาผู้พิจารณาธรรมจริงจังไม่มีอะไรจิดบงังเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลาใหเราได้เห็นประจักใหเราได้ยินทัดแจ้งใหเราได้คิดในจิตในใจของเราแจ่ เนื่องจากเราบอดเราโนกเราจึงไม่เห็นจึงไม่ได้ยินว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรชัดเจนจิตของเรากววิปริตคิดผิดไปว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษนี่คือเรื่องกิเลสเรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้ไปแก้ไขที่ไหนแก้ไขจิตใจจิีใจของเราเท่านั้น มันหมดชั่วภายในตัวแถานั้นวิริยะมันก็หมดไปโลกอันนี้ก็ยังคงที่อยู่ไม่ใช่ว่าท่านดับโลกถามตามมาโลกรูปล่โลกรูปรโลกมันดับไปหมดแร้สัตว์ทำไมมันมาเกิดมาตายกันวุ่นวายกันอยู่ไม่อย่างนั้นท่านดับในจิตของท่านท่านรู้ในจิตของท่าน เข้าใจในจิตของท่านละถอนในจิตของท่านการมโรคคือความใส่คิดเกี่ยวข้องครัวพันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆซึงเราธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจิตยังไม่ข้ามจิตยังเป็นผู้ทุชนธรรมดามันต้องคิดใส ในเรื่องเหล่านี้ยินดีในเรื่องของกรรมเรี่ยกวบากรรมะโลกรูปะโลกมันไปเพ่งจิตมีความสงบมีสมาธิดูอะไรเป็นอาจเป็นธรรมเกิดอุขะหะปฏิภาณในอาจในธรรมถือรูปนหล่นนั้นเป็น ที่พินิษพิจารณาเมื่อถึงการถึงเวลามันขาดขันมันแตกสลายหรือเรียกว่ามัดจูมาคือความตายมาถึงแต่จิตยังไม่ข้ามไปจากสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดเป็นรู ป, ปรโลกคือเกิดเป็นทอมที่มีรูปอรู ป, ปรโลกจิตพินิษฐ์พิจารณาเร่องรูปต่างๆ น, านาั้นนะมันสูญไปหายไป มีแต่สมมุติเท่านั้นมันไม่มีอะไรจิตใจมันว่างเป็นอากาศธาตุอย่างเช่ท่านว่าอากาศสารานจายตนะมันเป็นอากาศเตหมดวิญญาณา น, นจายตนะนักีแต่วิญญาณท่องเที่ยวอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาจินจัญญาจตระหนัความจิตหล่องยึดถือมันลุ้มมีนิดเดียวเท่านั้น สิมันละมันถอนยังไงได้มันทราบในจิตในใจของผู้บระกอบพิธีแบะแต่มันยังไม่หมดไม่สิ่นความสงสัยถึงกระทำมัมเทนเร่งด่วนอยู่กว่าตามถึงการถึงเวลามาจุมานคือความตายมาถึงเขาคนผีที่จะนะ่ะเรื่องอรูปกวจะไปเกิดในเป็นพวกอรูปอย่างทีพูดในหลักตาหรักตาราของธรรม นี่พระพุทธเจ้าจะไม่ยุงเกี่ยวข้ามไปได้ทั้งรูปทั้งอารูปจึงว่าทำลายโลกสามคือการ ม, มาโลกรูปรรประโลกอรูปะโลกก็ทำลายในจิตของท่านพราะจิตคนไปจากสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นโลกอีกในนมีทราบดีในความบริสุทธิ์ของตนคนนั้นแหละ <c oughs> แต่รผูกพ้น อยากเป็นอหรหันท่านก็ไม่อยากอยากไปพระนิพพานท่านก็ไม่อยากความอยากไม่มีเหมือนกับววคนอิ่มแล้วไม่อยากอะะอาหารจะดบจะดีวิเหตุขนาดไหนเพรามันอิม่มมันไม่อยากถ้าอยากของคือมันไม่อิม่มมีความอิ่มพอของการตัวชุปฏิบัติมันอิ่มเป็นพอเป็นมันเห็นไปจักในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีอะไร ธรรมะศีลเป็นสิ่งสําคัญมันก็สาคัญสําหรับพวกเราท่านที่มีกิเลสตัณหาเหมือนกันกับอาหารมันสาคัญสําหรับคนหิวแต่คนอิ่มแล้วมันก็ไม่สําคัญยามันสําคัญกับคนที่มีโรคถ้าเรามีโรคมันก็ไม่มีความหมายอีกเหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาท่านกัวมักคือทางเดินไม่ใช่ตัวนิพพานตัวนิพพานคืออะไร ผู้พิพาปฏิบัติจะต้องรู้จักจุดที่เขาถึงภายในพานรู้จักจึงไม่มีความอยากความการะหายความหมุ่นวายความหิวอีกฉังนั้นพวกเราถ่านจงต่างหน้าต่างตาทีนี่ที่จะาศึกษาปฏิบัติตายตาจาใจของตัวดูภายในอย่าส่งออกไปภายนอกอะไรที่ชั่วที่เสียรีบทําลายแกะไขสิ่งได้ที่จะเป็นผลเป็น กําไรของชีวิตจะทําจิตทำใจของตัวให้เยเือกเยน็นให้ผ่องใสรีบแต่ ท, ำำทําบําเพ็ญในเกิดในเห็นให้เป็นให้รู้ในจิตในใจของตัวนี่ําสอนของพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆ ส, สอนเข้ามาอู่กายหรือวาจาขอใจของเราต่านั้นเราทุกคนก็นมีกายมีวาจามีใจไม่ใช่ว่าคนตายพุทธคือผู้รู้ มีอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อก็เอาเข็มแทงเขาไปหรือเอาไฟกี้เข้าไปมันเจู้ว่ามันเจ็บมันร้อนไหมมันรู้อยู่ผู้รู้มันมีทุกคนถ้าไม่มีผู้รู้ก่อปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไม่มีผู้รู้คือคนตายไม่มีคุณคา่าอะไรโอไปเขาไฟไปฝังดินมันก็ไม่รู้จักจะเห็นหนีไปไหนหนีคือคนหมดผู้รู้คนหมดคุณค่า เรายังมีคุณค่าสิ่งที่ควรละขอรีบละสิ่งที่ควรบำเพนกร็รีบบำเพ็ญจนทำจิตทำใจของตัวให้เย็นให้บริสุทธิ์ไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้แต่นั้นขอทุกสันทุกคนจงสนใจนำไปบพืตอปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นหลัาพอสมควรสิเวลาพอยุติเพียงแค่ น, นี้เอวัง